أفلم تكن آياتي تصل عليكم ف َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر ُ م ْ وَكُنْتُمْ كَانُوا مدري. مُجْرِينَ و ا ل س ا ع ة ل ا ر ي ب ف ي ه ا ك ن ت ว่าร้าล่ำสิ่งแ ا ตุมาอัมลูว่าข ه มิห์มัติลูย์อัตซีลูว่าขำมิห ا มัติลูย์อัตซีลู 你讲。 Don't. س م ا و ا ت ورب الأرض <تصفيق> ورب الأرض رب العالمين <تصفيق> ولا حمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره uh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا ه ا ي ه ه له وشد ل ل ه إلا ا, إ, و ه, و ه, و ا ه و د ه ش ي ك له وشد أن م س ل س ل ح م ا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا و ن ا وبك نموت وإليك ا ن ش و ر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما عصمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا ل رسوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر รับีอ ع อ ا บิกา์มิ ا าดับ ب ใ ي น ل รี ا ่า ن ับ ي ใ ي ب บรีัล ن ي في ์์์ ن ي ์ ا ์์์์์์์์์์์์์ ا د ์์์์์์์์์์์์์์์์์ و ์์ ا ์์์ ن ์์์์์์์์์์์ ل ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ อิ a ลัลนฝ a กทัศวะต้าอิลินฮ l l a h ยัลลอฮ์ว a ิฮฺมัลวะค a ร์ฮัสบิยัลลอฮ์วนิฮฺมัลวะคีร์ซัลลัม عليكمرحمة a ل ل ه a ب a ك ا ت ه ดูสักหนึ่งครับคุณลินลาหูคุณเบวามุฮัมมัดจงประกาศจงกล่าว ว่ากุดนี่นะเราว่ามุฮัมมัดจงพูดคุณอาดับมุสลิมนีน่ยตําหนิงานดีต่อว่านาบีนบีสอนอะไรมันขวางหมดเลยเราเลยสั่งกันเลยว่ากุดมูฮัมมัดจงพูดอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยยุฮัยยีกุมอัฮัยยาบอทาให้สูงเจ้ามีชีวิตอุฮัยยีกุ่มอลัลลอฮ์เนี่ยให้สูงเจ้ามีชีวิตรุมมาหลังจากนั้น อยู่มีทุกขุมแล้วก็ให้สูขเจ้าตายมาตายไปแล้วมันจะตายเลยทุกมายาจะมาห อ, อกุ้มแล้วก็ให้สูขเจ้าเนี่ยรวมตัวกันหลังก็ฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วรวมตัวก่นอนอวลาเยาเมื่กิยามาในวันกิยามาลาลอยลาลอยบาไม่ต้องสงสัยฟรีในนั้นคือวันกิยามานี่มีจริงไม่ต้องสงสัยเราจะเน้นในวันกิยามาเยอะมาก ในอัลกอาน mm hmm. เีวจะเจอลาอรบัฟฟีว่าไม่ตองสงสยัย ว, ว่าลาขินอ่ลาขินแต่ว่าอักษร น, นาศอักษรประวัติส่วนมากอ น, นามนุษย์ลาย a ยาบหยาบพวก้เขาไม่รู้ขนาดตับล็กดาว่ายังไม่รู้อายาที่ยีสดเจ็ วาลิลลาฮิเป็นของอัลลอฮ์ลิลลาแปลว่ามิลองสู่อัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์มุลกุแปลว่าการบริหารหรือการการจัดการหรือว่าอำนาจทั้งหมดอัลลมาวาะของชันฟ้าวะลาอุเยะของแผ่นดินเป็นของ AH. อัลลอฮ์อาณาจากักรชันชันนฟ้าและแผ่นดินเป็นของอ AH. ัลลอฮ์วายอมาตะ ก, กูมุสฮะและวันกิยามะ ตะ ก, กูแลแบบว่าเกิดขึ้นเยาวา์ไมรินในวันนั้นยักษรวว า, ารูแปว่าขาดทุนอัลมกติลูนคนคนทำผิดคนทำชั่วขาดทุนมุมินปลอดภัยแต่คนชั่วชั่ว น, น, นั้นขาดทุนเราเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟางให้คนอ่านกุรานวาังอายะที่2ี่วะจารอมุฮัมมัดจะได้เห็น กุลทุกๆุอุมาตินประชาชาติทุกทุกประชาชาติยาสยานะว่าคุกเข่าคุกเข่าทําไมคุกเข่าต้องคิดบัญชีนะทุกคนตั้งแต่นบีอาดามมานั่งคุกเข่ากันหมดกุลูอุมาตินทุกๆุประชาชาติทุกาอ้าแปลว่าถูกเรียกอิละไปยังกิตาบีอากิตาที่นี่มัชชัมภีร์แปลว่าสมุดสมุดบัญชก ทีมาเลย์กาบันทึกผลงานของเราบนโลกดุนยาเบเนกิตาบิฮาให้ไปดูสมบุญบันทึกอาริยวันนี้มายถึงวันเกียรมานีตุจเจเจ้าหน้าถูกตอบแทนท่านทั้งหลายจะถูกตอบแทนมากูลตุ้มสิ่งมาไปว่าสิ่งที่กุณตุ้มท่านทั้งหลายตะมาลูนปฏิบัติท่านจะถูกตอบแทนตามที่ท่านได้ปฏิบัติเอาไว้ ฮาะาติกาาิตบาาุญ า, าสมุนบันทึกเร่นี้เนี่ยยันติเกิพูดอะไรกุ้งคานสูเจ้าบิลฮากิวเป็นความจริงทุกประการที่มาเลการบันทึกไื่จริงทั้งหมดไม่มีบันทึกโกหกทำก็บอกทำไม่ทำก็บอกไม่ทำอินนากุณแท้จริงเราเนี่ยนัสตันสิโตคัดลอก มาคูนตุ้มสินงคือท่านผู้ท่านทั้งหลายจะมาลุนทั้งหลายปฏิบัติขัดนลอกคำพูดการกระทำที่ที่มันคือมันเป็นประโยชน์เนี่ยขัดนลอกให้เอาไปโชว์ในวันเกียยมาว่าอมัลลาดีนามโนส่วนบรนดาผู้ที่อีมานศรัทธาว่าอามิลุสโซเลฮและปฏิบัติอามันที่โซและงานการที่ดี ยูดักฟิลูฮุมจะถูกให้ถูกถูกให้เข้ารอบบูฮุมว่าผู้อภิบาลของพวกเขาคนที่มี إيمان คนที่มีอามันที่ซ้อนและว่าผู้อภิบาลของเขาจะให้พวกเขาเข้าฟรีอยู่ในราะมะความเมตตาฮีบบะบะคอมเฟรอมลาลิกะฮุวัลฟาอุซุลมูบิลนิลนั่นแหละลาลิบะบันนั่นแหละฮุวัลคือความสาเร็จ อัลมบินอับาชัดเจคนที่อยู่ในความเมตตาของอัลล์ในวันเตียมะคนนั้นแลเป็นคนที่เราความสเร็จอันชัดแจ้งใครอ่ะไอ้คนที่มีอมาและคนที่มีอามันซอแล้วท่านั้นคนก็เวดแม่ไม่ใช่ต่อมาคำว่าอัมมัลลาีนะรูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอาฟมตะกุน อาญาตีตุธลาอะไรกลุ่มจะมีเสียงถามว่าคุณทํำไมคุณอาญาตีบอว่าอาญะต่างๆทั้งหลายของฉันเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทําตุธลาแปลว่าสาสย่ายหรืออ่านอะไรกุ่มแจกสูตเจ้าหรืออัลลอฮ์ถาม ถามคนกาเฟก่าสัญญากุณอ่านของเราเนี่ยไม่ได้ถูกศาธยายไม่ได้ถูกอ่านให้แต่พวกคุณหรือฟัสจักบาตุงและพวกคุณได้โอหังอวดดีพออ่านแล้วได้ยินเรีกั็อวดดีนะี่ยคำขวางกว่าฝืนวกุนตุมพวกท่านเป็นเกาวมันหมูชนมุจินมีนคนชั่ว วันอตละอิลาว่าเมื่อตละถูกถูกมีเสียงพูดว่าในวันกยามจะมีเสียงพูดว่าอินนาวะอัลลอฮฺฮักุนแท้จริงว่าดะวสัญญาของอัลลอฮฺฮักุนเป็นความจริงวซอตุลรอยบวันกยามะวันซาไม่ใช่นาฬิกาแปลว่าวันวันวันวันสิ้นโลกเนี่ย ลาลอยบัเฟตไม่ต้องสงสัยมีแน่นอนคนจุ่มพุด ท, ทั้งหลายพูดว่ามานาเดรีเรามาแปลว่าไม่รู้มาไม่นาดรีเราไม่รู้มัสซาเกียมานั้นคืออะไรเราไม่รู้วันกันเกียมาคืออะไรอินนารุนไม่มีอะไรวันวันเกียมาไม่มีอะไรนารุนเราเราสงสัยนอกจาก ดด า, ดาเท่านั้นคุณกาเฟ่พูดพูดในวันเกียมาพูดบอกว่าวันวันเกียมาเนี่ยเราเราไม่รู้จักที่คุณเล่าเนี่ยเราเราเราเพียงแต่ดาวดาวเท่านั้นเองว่ามีหรือไม่มีว่ามาหนาหานูและเราไม่ใช่เป็นคนมุสไตก์จิงเป็นผู้ที่เชื่อมั่นว่ามีวันเกียรมาจริง มีสังเกตนะเราจะพูดวันวันวันกียร์มาเยอะนะต่อมาอายาที่สาว่อิวะกีละมีเสียงพูดว่าอัลยาบ ว, วันนี้มาถึงวันเกียรนะ์มาหนานซาคมุมเราลืมพวกท่านคําว่าลืมลืมเนี่ยท่านมุยญาฮิตอธิบายว่านัตตุกุกุบเราทิ้งพวกท่านกามานาซีจุ่มกามาเหมือนกับนาซีจุมท่านทั้งหลายทิ้ง หรือก็ยาวมีกุ้งเทปงชาต์ลืมหรือก็แปลว่าพบยาวมีกุ้งวันของวันของพระเจ้าอาญาวันนี้คือไปในวันเกียร์มาเราจะพูดว่าวันนี้วันวันวันเกียร์มาหน่ะคุณพูดว่าวันวันเกียม์มาไม่มีวันนี้ถ้ามีจีนขึ้นมาฉันชันก็ลืมท่านท่านกว่าลืมเราก็อยู่บนปุญญาเนี่ยเราสอนให้มอสมมัดาสอนคุณบอกมอมาได้พูดโกหกคุณไม่เชื่อ คุณลืมวันบอลเกียมากใช่ไหมที่ได้ทมตัวแบบนี้วันนี้เราก็ลืมคุณเหมือนกันลืมเมื่อคนละทีกะมานณซีทุมลีกโกยามีภูมิฮาจาคนที่ลืมวันเกียรมากเป็นไงก็วามะวาสุมาวาแปลว่ า, วาที่พํานักของพวกเขาที่พที่พํานักของสูงเจ้าอันนาคือไฟนรกวามาละกุมไม่มีผู้ช่วยไม่มีศรัทธาสูงเจ้า มิจากนาหรือผู้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือในวันเกียวมาสําหรับคนกาเฟสเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีตัวช่วยเลยรูปจเวนก็ช่วยไม่ได้โต๊ะตะเกียวก็ช่วยไม่ได้สิ่งที่คาบูชาบนโลกดุรยางค์นี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศช่วยได้ไหมไม่ได้ลาลิกุมเห็นในแหละดังนั้น ดิอานากุลเพราะพวกท่านทั้งหลายนั้นอิตาคอนตุมได้ยึดพวกท่านได้ยึดอาญาติลาสัญญามาจะพูดอ่านของอัลลอฮ์นั้นฮุจูวาแปลว่าเยอะเย้ยพวกคุณเยอะเย้ยอัลอัลกุลอ่านฮุจูวาแปลว่าเยอะเย้ยว่าก้อนรถคุมุลฮยะตุตุนยารถว่า ล่ลวงเพลิดเพลินอัลฮายาตุลยาชีวิตดุนยาเนี่ยทำให้คุณหลงทําให้คุณเพลิดเพลินแล้วจริงไหมละ่ะจริงสิชีวิตดุนยามีอะไรบ้างมีสอย่างนะั 1, <ม>่นหนึ่งเงินสองชื่อเสียงสามเกียรติยศตําแหน่งไอ้ตำแหน่งสีรายการเนี่ยมันทำให้คนเพลินใช่มากใช่หาเงินก็เพลินนะฮะหาตําแหน่งก็เพลินหาชื่อเสียงก็เพลิน สีย่ยานพวกกันนั้นเป็นตัวแทนของดุนยาวัลยามวันนี้วันมาถิงวันกิยามะและยุคลอยูนพวกเขาจะไม่ได้ให้ออกมินฮาจากมินฮามาถึงมินมันาน า, นาจากไปนรกวัลวัลาฮุมและพวกเขาจะไม่ยุจจะตะบุนถูกให้ความช่วยเหลื อ, อยาที่สาสิบ5 3 6 ف ا ل ل ه ดังนั้นลิล่าเป็นของอัลลอฮ์อัลฮัมดุการาสนเสริญการาสนาเสญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์กอัลฮัมดุลลาเหมือนกันลิลลฮอัลฮัมดุบรรดาการาสเสญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์รอบบิสม่าวอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาล่งชั้นฟ้าทั้งหลายวรับบิลออร์เลละชัฟ้าละชั้นดินพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดิน รับในอา ล, ลัยล้วเพื่อจะพัดบรรัจกวางยูนิวส์วาเลหลกิบริยาิบริยาแปลว่าความยิ่งใหญ่ความยิงยยมย่งยยใหญ่เนี่ยลาหูเป็นของอัลลอฮ์ที่สาวารคในชั้นฟ้าวันอัลอยู่แล้ในแผ่นดินอัลลอ์เนี่อยอยู่ที่ไหนก็ตาอัลลอฮ์ใหญ่หมด วละหุลกิรียกิบรมาจความยิ่งใหญ่มาจากกะบือแบบใหญ่อีกกิรียมาจากความยิ่งใหญ่ละหเป็นของอัลลอฮ์ฟิสมาวะในสิ่งอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอฮ์ใหญ่สุดวัลอัลลิละแผ่นดินวะฮุวันอาซอัลล์มีสิอาซีบผู้ทรงอำนาจ ح า ي م ผู้ทรงีชายา จบสุระอัลจาซิยะนะขึ้นสุระใหม่สุระ อ, อะไร อ, อักบอฟอาทิตนาจีฉลาดหรอใครสงสัยมีอะไรมั้ยมาลิกสงสัยมไหมมิซับกูไหนบ้างที่สงสัยที่เขียนไม่ทันอ่ะฮะ กิบริยาแปลว่าความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่เนี่ยเเป็นของ Allah. อัลลอะฺขอที่ย8หเนี่ยน่ากลัวมากนะครับ ทุกคนมีสมุดบันทึกพอมีแล้วเนี่ยเลาจะเรียกมาดูมา ด, มาดูสมุดบันทึกคุณมีคนถามกับเขียนเป็นภาษาอะไรอเขียนภาษาอะไรก็ได้อ่านออกอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องถามมีคําอธิบายเรียบร้อยมีรูปคุณกวจะมีรูปถ่ายด้วยสิรูปในเนมนี้หมดเลยค่ะ ถ้าคุณเรื่องน้ำมาก็มีท่า น, น้มาออกมาให้เห็นเลยพอเปิดดูเจอดีท่า น, น้ำมาท่าลุกขึ้นนมาฮัจยุตท่าทานอาหารสะออดมีหมดเลยทำบาปมาเจอเห็นหมดเพออ่านแล้วเข้าใจนันอัลลอฮฺมาดีสร้างคนมาเล่นๆ น, นะในเป้าหมายของชีวิตแน่นอน สร้างชานฟ้ากไม่ใช่เล่นเล่นสร้างแผ่นดินก็ไม่ใช่เล่นเล่นเป็นความจริงทั้งหมดแล้วก็ให้คนนี่จะอยู่บนโลกดุนยาไปนี่มันต้องผ่านในการเกิดถ้าจะให้ตายก็จะออกจากโลกดุนยาผ่านความตายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีถ้าจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาไปนี่ผ่านหมดลูกนะถ้าจะจากโลกดุนยาไปนี่ผ่านความความตายอย่างอื่นไม่มีครับ ถึงเด็กพูดว่ายุฮัยกุมชุมมาอยู่มีทุกกลุมอัลลอฮ์ให้สู่เจ้าเป็นแล้วก็ให้สู่เจ้าตายตายแล้วมันจะตายเลยชุมมายุจะเงาทุกุมแล้วก็ให้สู่เจ้ารวมกันอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรมะวันที่รวมตัวกันในวันนั้นแหละอลลอฮ์จะสอบหมดเลยนะนีมันน่ากลัวมากครับมันเลกล้าบันทึกเหตุการณ์ช่ววันที่เราทําเนี่ยนะ มันทึกหมดทางซ้ายเนี่ยมันทึกความชั่วทางขวาบันทึกความดีอลัลลอฮ์กล่าวว่ากิตาบูนายัมติคูส ม, มุดบัญชีเนี่ยพูดความจริงขานสู่เจ้าตลอดเวลาถามคุ้มคุค้เปล่าเปล่ปาเปล่ปาปเปล่าแต่ส ม, มุดบัญชีมันพูดชัดสิ่งที่น่ากลัวคือส ม, มุดบัญชีของเราเนี่ยถ้าจะลบนานลบได้ยังไงโดยการเตาบ้าตัว่าตัวอลลอฮ์ ทำอะไรผิดไว้เนี่ยให้สารภาพถึงจะล่วงรับ่วง่วงมานานแล้วก็ตามสิปียี่สิบปีมันนึกได้โอ้ฉันทำผิดต่อบาตัวเลยถ้าไปลักของเขาก็ต้องเอาของนั้นไปคืนแล้วไปแจ้งเจ้าของรถฉันเนี่ยทำอะไรผิดไว้เมื่อยี่สิปีที่แล้วเนี่ยเอาเนี่ยคืนไาถ้ายังงั้นไม่ลบคุณจะบัญชีคุณจะล่ะ น่าน่าตัวมากนะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันจะอารม์มันจะสร้างมานเล่นๆ น, นะมีเป้าหมายมทำความดีเห็นหมดเลยทำความชั่วก็เห็นหมดอายะไหนลนะ่ะจะออนสุกหัวเล็กเนะี่ย บระนะพูดเองมีหมดมีตัวอักษรมีภาพคงโกจะมีรูปภาพด้วยน่ะสิรูปภาพที่เราปฏิบัติจะเป็นดีวรู้ชั่วก็ตามอากีดาของกนกาเฟสเนี่ยเขาเชื่อว่าอยู่บนโลกวันนี้เป็นแล้วก็ตายใช่ไหมวันเวลาทำให้เขาตายใช่ไหม อายาที่ยีสี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่กุรานเนี่ยร้อนเล่าบอ ว, ว่าไม่ใช่วันเวลาเนี่ยไม่จะทําให้คนตายแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้คนเป็นและให้คนตายไม่ใช่วันเวลาแต่คนกาพฟเนี่ยโทษโทษโทษเวลาหมดวันนี้อากาศไม่ดีลมไม่ดีโชคไม่ดีนะโทษหมดเลยโทษ ด, ดาอัาลลอฮ์น บ, บีบ่าวะลาตุสุบูรดะริยาดาวันเวลา ว่าอินนัลล่นแหละค่ะหัวดำล้วเพาอัลลอฮเป็นเจ้าของเวลาเวลานี่ไม่ดีต้องดูหมอกันใช่ไหมล่ะจะแต่งงานลูกสาวลูกชายคนต้องไปหาหมอดูหมอสั่งอะไรเชื่อหมัเลยว่ามาโยลิกูนาะอัดดารุนี่คนอัติดารุคนกาเฟบอกว่าไม่มีอะไรทำลายเราได้นอกจากวันวันวั น, ว, น, ว, น, ว, นวันเวลา อย่ารุนนวลแปลว่าเดาๆอยู่แบบเดาๆไม่มีหลักการสำหรับชีวิต คนอาหรับมัชริดในสมัยยาฮิรียานเวลาเขาพบกับความไม่ดีเขาจะด่าเวลาเวลาไม่ดีเวลาเร็วเวลานี่นั่นไม่ดีคำตอบอินน่ามาฟ้าอินลูฮาอูวัลลอฮฺแต่ผู้ที่ทำให้มีปัญหานั่นคืออัลลอฮฺไม่ใช่วันเวลา นาวันเกียมานนาวันของลอลาณวันเกียมานเท่าไรหร่รู้เปล่าประมาณห้าหมืนปียาวมาก นี่อันจบแลยนะและอายาที่สาตย์สามันย่งบัดาเหล่านั้นอาุมาทำรูว่าากบิหิมะ كانوا ยลตาลิอุนบัดาแปลว่าได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขาไซอหมายถึงความชั่ว ความทั่วทั้งหลายมาอามิรูที่พวกเขาได้ปฏิบัติคือความทั่วของเขาจะปรากฏขึ้นดูในคัมภีร์ในสมุดบันทึกนั่นแหละวาฮาก็ไปว่าห้อมล้อมบิหิมพวกเขาไว้มากานูยัสตาซีูลที่พวกเขาพูดเยอะเยอเย อ, อันอัลกราอันไวมีไปหมดเลยมีบันทึกไ้หมดเล ย, เลยนี้วไม่รอด ข้ า, าวก็แปลว่าห้อมล้อมบารดาบปลว่าจะปราปกฏขึ้นใครมีอะไรสงสัยไหมก็ดูว่าสัพ์คำไหนที่เขียนไม่ทันนี่ไหมยูซุ ก็ไปว่าห้อมล้อมไว้อะไรจะโเขเยอะเยยคุณอ่านเยอะเยยนบีเยอะเยยอิสลามเนี่ยถูกห้อมล้อมหมดเลยวันนั้นจะเห็นหมดเลยอ้าวนี่ผลจากการที่เราเยอะเยยด่านบีดากุลอ่านด่าสุนัขนบีแล้วก็ตามหลังผลผลชุนคนชั่วถูกห้อมล้อมหมดแล้วมองไปทางซ้ายก็นรกทางขวาก็นรกข้างหน้าก็นรกข้างหลังก็นรกตัวเองรู้สึกไอ้กอุดาผิด เราอยู่บนุยานี่ย่อยยอยคุรานย่อเยอิสลามย่อยยอยนบีมาหมย่ยย่อยนนมุสลิมดามุสลิมเลี้ยงรขากระดาเขาอัลลอฮ์ตอบอัลลอ์แก้แค้นแทนมุสมิมหมดเลยนะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เนยเมตานะใครที่ดาอิสลามดาอัลลอ์ดารสูอัลล์แก้แค้นแทนมุสมินเพราะอยู่บนุยานี่เราแก้แค้นทไม่ได้ใช่ไหมเราเพราะก็มีอำนาจมากกว่ามีพวกมากกว่ามีนู่นมีนี่ เต็มไปหมดเราเลยสู้ก็ไม่ได้แต่อาราปก็จะแก้แค้นแทนแก้แค้นแทนนบีมูฮัมมัดวันที่นบีไปเมืองกออิฟแล้วก็ถูกสามเรื่องจะมาถูกไล่ถูกดา่าถูกขว้างดูฮยตเนี่ยนั่นแหละแต่อาราปก็ให้นบีขึ้นเนี่ยอาราสันก็ลืมเหตุการณ์ทั้งหมดนันก็เป็นการตอบแทนให้ในวันนั้นนะแต่ในวันที้มายังมีอีกถูกตอบแทนอีกแก้แค้นแทนนบี ที่ท่านอบีถูกลำแกถูกย่อยเย้ยถูกไลน่นกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงละมาเวลานะุ่ข้าหนะาัลงลาวุมวาเปัมดีกระชะ้นวะลาอิละอิละอัลลอฮฺเมา้าน